ันตยสัสขอถวายความนอบน้อมแด่พระรันตรัไรขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายาต่อไปนี้ก็จะได้ปารกธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์ด้วยว่าเรามีความทุกข์ด้วยกันฐนะานะที่ได้เกิดมามีชีวิตมีอัตภาพ มีร่างกายจิตใจขึ้นมาแล้วก็ต้องเสวยความทุกข์นานับประการนะทุกข์จากความเกิดเรียกว่าความเกิดก็เป็นทุกขนะ์ชาติปีตุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาปทุุขาความแก่ก็เป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โซกะปริเทวะทุกขะโทมณัสสานังความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปายาดความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์รวมความว่าเรามีทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ถามว่าความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ มีได้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใดที่มีทุกข์ก็เพราะมีอวิชชาความหลงหรือสภาพที่ไม่รู้ตั้งความเป็นจริงถ้ามีความหลงก็มีตัณหาความทยานอยาก คามตัญหาบ้างภาวตัญหาวิภวะตัญหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหลงคือสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จากทุกโดยความเป็นทุกข์คือมีชีวิตขึ้นมาอันเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ ก็ไม่รู้จักความทุกข์เห็นสังขารยังเป็นสุขสนุกเพลิดเพลินไม่เห็นเหตุไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์เข้าใจว่าความทุกข์มีเพราะไม่สมปรารถนา จึงพยายามทำสิ่งต่างๆให้สมปรารถนาดิ้นรนสแสวงหาตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นคือความทุกข์หรือนั่นคือความดับทุกข์ให้ตนเองนี่เรียกว่าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ว่าความดับทุกข์จริงๆนั้นเป็นอย่างไร ปรชชนทั่วไปก็จะเข้าใจความดับทุกเพียงว่าได้สมความปรารถนาได้ตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นแหละคือความสุขหรือความดับทุกขแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นความดับทุกขต้องดับที่เหตุความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกขก็ต้องละความอยาก ความดับทุกข์คือความสิ้นไปจากความอยากฉะนั้นอวิชชานี่จะไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้ถึงข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ความทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ความดับทุกข์ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาไม่รู้ ธรรมที่เป็นอดีตขันไอชนะธาตุที่เป็นอดีตก็ไม่รู้ที่เป็นอนาคตก็ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ไม่รู้ถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้จึงดับไมมีอวิชาก็เกิดสังขารไม่มีสังขารวให้เกิดวิญญาณ เมื่อมีมีญาณก็เกิดนามรูปเป็นต้นหรือพูดง่ายๆคือไม่รู้จากทุกหรือว่าไม่รู้ความจริงชีวิตนี้เกิดมาเป็นก้อนทุกขก็ยังไม่รู้อีกมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้จากทุกเพราะนั้นเมื่อไม่รู้จากความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไร ก็หลงไหลเพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามีตัณหาอุปาทานมีกิเลสเกิดขึ้นตัณหาความยึดมั่นถือมั่นก็คือเมื่อตัณหาคือความทยานอยากเมื่อมีกําลังก็กลายเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเรียกอีกแง่หนึ่งก็คือกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง เป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลธรรมมอเกิดขึ้นในจิตใจก็พาให้จิตใจเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเรียกว่กกิเลสกิเลสก็มีหลายๆชนิดหลายๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นกิเลสเป็นโลภโกรธหลงนี่เป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหลาย ฉะนั้นความไม่รู้จากความจริงก็ทําให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานต่อต่อกันไปอีกมาเกิดมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นต้นก็ย่อมจะประทํากรรมสร้างกรรมต่อไปนะมีอกุศลกรรมบ้างมีกุศลกรรมบ้างทางกาย ทางวาจาทางใจเป็นกายกรรมวิจิกรรมมนุกกรรมกรรมก็คือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจะเป็นไปในทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามก็เป็นกรรมกรรมที่ให้ผลไปในทางความสุขก็เป็นกุศลกรรม กรรมที่ส่งผลให้เป็นไปในความผุกก็เป็นอกุศลกรรมแม้กุศลกรรมก็ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นแรงหนุนได้ให้ได้รับความสุขแต่เป็นความสุขที่ยังหมุนเวียนเป็นความสุขที่เป็นไปนักวัตตะสงสารยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เมื่อมีกรรมเมื่อทำกรรมลงไปจึงมีวิบากเกิดขึ้นนะวิบากแปลว่าผลผลของอกุศลกรรมก็เรียกว่าอากุศลวิบากเป็นผลที่เกิดขึ้นมีสภาพไม่ดีไม่งามกุศลส่งผลก็เป็นกุศลวิบาก คือผลของกุศลเรียกว่ากุศลวิบากก็เป็นผลที่ดีเกิดขึ้นน่ยการส่งผลของกุศลแกุศลนี้ก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้เห็นดีไม่ดีได้ฟังเสียงดีไม่ดีได้กลิ่นเหม็นหอมได้รสอร่อยไม่อร่อย ได้สัมผัสทางกายดีไม่ดีมันมาจากกรรมเป็นตัวจัดแจงมาฉะนั้นการอุบัติบังเกิดขึ้นของชีวิตนี้ก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมตราบใดที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ยังต้องเกิดต่อไปยังต้องอุบัติบังเกิดขึ้นยังต้องมีชาติเกิดขึ้น เมื่อมีชาติคือความเกิดก็ติดตามมาด้วยชะลาความแก่มรณะความตายและความทุกข์ต่างๆด้วเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์คนที่อยู่ในสภาพแก่ชะลาก็จะรู้ซึ้งว่ามันทุกข์อย่างไรจะนั่ง จะลุกขึ้นก็ลำบากลุกแล้วจะนั่งก็ลำบากบางคนเวลาจะลุกก็ต้องมีคนช่วยพยุงปีกขึ้นลุกขึ้นเองไม่ไหวนั่งแล้วลุกไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วอพอเดินได้ะจะนั่งก็ลำบากเนี่ยความ เสื่อมสุดความชราภาพของสังขารจะกินจะถ่ายจะหายใจมันเป็นเรื่องลำบากไปตลอดฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอุบัติขึ้นก็มีทุกอย่างเนี้ยแล้วเมื่อมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังมีความหลงขึ้นมาอีกมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังหลงในชีวิตว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลงในทุกข์หรือว่าไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันก็มีกิเลสขึ้นมาอีกมีกิเลสตัณหาอุปาทานมีกิเลสก็ต้องทำกรรมลงไปเมื่อมีกรรมก็แน่นอนก็ยังต้องอุบัติบังเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บอีกตายพัดพรากเราพิจารณาแล้ว ย่อมควรที่จะเบื่อหน่ายต่อความเกิดซ้ำๆแก่ซ้ำๆเจ็บซ้ำๆตายซ้ำๆพลัดพรากซ้ำๆเป็นทุกข์ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นคนที่มีความเบื่อหน่ายหรือหรือมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆใครหาทางพ้นทุกข์ก็ถือว่ามีปัญญาอย่างหนึ่ง คนถ้าไม่เห็นทุกข์ทินโทษของชีวิตของสังขารก็ย่อมจะไม่สแสวงหาความดับทุกข์ไม่สแสวงหาข้อปฏิบัติไม่ดําเนินการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เขาก็จะต้องหลงระเลิงอยู่กับชีวิตกับโลกไปจนตายตายไปพร้อมกับกิเลสตายพร้อมกับความหลงต่อไปการจะออกจากทุกข์เหล่านี้ ก็ต้องละที่เหตุดังกล่าวแล้วว่าเหตุคือตัณหาเหตุคืออวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงการที่จะทําลายอาวิชชาความหลงความไม่รู้ให้หมดไปจากใจจะเอาอะไรมาทําลายได้เอาอย่างอื่นมาทําลายไม่ได้จะปลุกเสก ให้ใครมาโดนบันดาลให้ก็ทำไม่ได้ทำได้เพียงวิชามีวิชาหรือมีปัญญาที่จะเข้าไปทำลายอาวิชชาเรียกว่าความรู้นั่นแหละจะทำลายความไม่รู้ปัญญาน่นแหละจะตัดความหลงต้องมีปัญญาเกิดขึ้ น, เ, นเมื่อมีปัญญาตัดความหลง ความหลงสิ้นไปจากใจก็หมดเหตุที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานหรือว่าสิ้นกิเลสกิเลสขาดไปจากใจก็กลายเป็นสิ้นกรรมเนะี่ยทำอะไรก็เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมไม่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็ต้องสิ้นเกิดนะ่ยยุติการเกิด ต่อไปเพราะว่าไม่มีกรรมนะสิ้นกรรมพระหา์ทั้งหลายนะั้นสิ้นกรรมนะท่านกระทำสิ่งใดๆทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นกรรมเพราะว่าจิตไม่มีกิเลสทำสิ่งใดก็เป็นเพียงกิริยาทำด้วยมหากิริยาจิตจึงสิ้นการอุบัติบังเกิดขึ้น ก็เป็นอันว่าดับรอบปริิพานดับโดยรอบนะวิมุตตุดพ้นจากขันทั้งห้าเข้าถึงขันตะวิมุตตุดพ้นด้วยอนุปาทิเสสนิพานคือนิพานที่ขันห้าทั้งหมดหมดลงยุติลงสิ้นสุดลง โดยก่อนหน้านั้นมีสัพพาทิเสสนิพานก่อนคือสิ้นกิเลสแต่ยังมีขันห้าอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีขันห้าที่เป็นวิบากสืบต่อกัอนอยู่ยเรียกว่ายังมีชีวิตก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รส ร, รู้สัมผัสคิดนึกรับรู้อารมณ์มีเวทนาสุขทุกข์ เพียงแต่ว่าไม่มีโทมนัสเวทนาคือไม่มีความทุกข์ใจมีแต่ทุกข์ทางร่างกายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็มีเฉพาะที่เป็นกิริยาไม่เป็นอกุศลสังขารที่เป็นอกุศลตัดขาดเกลี้ยงเกลามีสัญญาสังขารก็เป็นกิริยายังมีวิญญาณก็เป็น กิริยาไปหมดเรียกว่ายังมีขันห้าอยู่แต่ว่าสิ้นกิเลสแล้วเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานเข้าถึงนิพพานแต่ยังมีขันห้าอยู่จนเมื่อพระหันสิ้นชีวิตเนี่ยก็เป็นอนุปาทิเสสนิพนันขันทั้งห้านี้สิ้นสุดยุติลงดับโดยรอบหรือว่าไม่มีทุกข์ทางร่างกายอีกต่อไป ถ้ายังมีชีวิตอยู่ทั้งก็มีทุกข์ทางร่างกายแต่ว่าจิตใจไม่ทุกข์เท่านั้นนคือยังปวดยังเจ็บยังร้อนยังหนาวยังหิวกระหายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยต้องมีปัญญาทําลายอวิชชาให้สิ้นไปจากใจทําอย่างไรถึงจะมีปัญญาปัญญาคือความรู้รู้อะไร และจะทำอย่างไรรู้ที่ว่ารู้ที่ว่ามีปัญญาหรือความรู้นั้นก็คือรู้ความจริงของชีวิตชีวิตที่มีอยู่เนี่ยที่ว่ามันเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเกิดแก่เจ็บตา ย, ยเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยจะต้องมีความรู้จริง เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารในชีวิตนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ว่ารู้เห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวธรรมหรือเป็นเพียงธรรมชาติหรือเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตัวเราเขามีสภาพไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับมีสภาพเป็นทุกข์ พลุสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปต้องหมดไปต้องดับไปมีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเรานี่คือปัญญาที่เป็นวิปัสสนาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงก็คือรู้ในสังขารร่างกายชีวิตจิตใจ ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยให้มีปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวตนให้มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เกิดดับพนอยสุภาพเดินไม่ได้ให้มีปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งที่ในสรีระในส่วนของรูปปัฏธรรมทั้งที่จิตใจหรือทั้งที่ตาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติที่เกิดดับหรือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานั้นก็มีความดับไปโดยธรมธรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาธรรมดาก็คือว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเอง คือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุมีเหตุมันก็มีผลเกิดขึ้นเมื่อเหตุดับผลก็ดับเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นคือมันสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนเอาหนอกกล้วยไปปลูกลงในดินมันก็ต้องขึ้นมาเป็นต้นกล้วยออกผลมาเป็นกล้วยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนะมาแดดออกมันก็ต้องร้อน ฝนตกมันก็เปียกมันก็เย็นเมื่อแสงอาทิตย์หมดไปมันก็มีความมืดเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมริยามเป็นธรรมชาติความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นธรรมดาเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมดาความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันก็เป็นธรรมดาบุคคลที่ เห็นความเป็นธรรมดาของชีวิตของสังขารยอมรับกับความเป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใจใมันเกิดและตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นเป็นทุกข์ถือเกิดแล้วต้องดับไปอาการที่ต้องดับไปดับไปเป็นอาการของทุกข์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนะ่ะ มันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตางนั้นบุคคลมาเห็นความเป็นธรรมดาของสังขารของชีวิตเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นอนัตตาก็จะต้องเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดกิด จ, จึงหลุดพ้นจากความอยากความยึดหลุดจากอสวกิเลทั้งหลายเข้าถึงความดับทุกข์ นั้นปัญญารู้ความจริงรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้จะละจะตัดความหลงออกไปได้เหมือนเมื่อความสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดให้หมดไปอวิชามันความมืดเนี่ยาการที่จะทำลายความมืดน่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ทำให้มันสว่าง จุดไฟขึ้นมันมีแสงขึ้นมามันก็ทำลายความมืดบุคคลจะหายหลงก็คือทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงเกิดขึ้นก็ทำลายอาวิชชาให้สิ้นไปดังนั้นเมื่ออวิชชาสิน้นกิเลสตัณหาปราทานดับก็สินส้นกรรมสิ้นกรรมก็สิ้นเกิดก็สิน้นกู์ดับภู์ เข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นปัญญาเป็นส่วนที่จะต้องสร้างสมพัฒนาให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรถึงจะสร้างปัญญาปลูกปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องมาสู่มรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินต้องมาสู่การประพฤติปฏิบัติก็คือต้องศีลสมาธิปัญญา หรือว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบ เ, อเป็นส่วนของปัญญามีสัมมาวาจาก่าววาจาชอบคือเว้นจากวาจีทุจริตสีมีสัมมารกรรมตะทําการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสาม มีสัมมาชิวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นกายทุจริต ส, สามวาจีทุจริต ส, สี่ที่เกี่ยวกับอาชีพมีสัมมาวยายมะเพียรชอบมีสัมมาสติระลึกชอบมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดปัญญานั้นองค์มรร ย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสมาสังกปะเป็นปัญญาสัมมาวจาสัมมากมันตะสัมมาชิวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นส่วนสมาธิสัมมาสติสัมมาวายมะก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของสมาธิ สัมมาสังกัปปะดำริชอบก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของปัญญาปัญญาโดยตรงก็คือสัมมาทิฏฐิความหินชอมสมาธิโดยตรงก็คือสัมมาสมาธิฉะนั้นต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาบุคคลต้องมีศีลมีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตมีศีลมี ส, ม, สมาธิ นะมีปัญญาพูดย่อๆก็คือการเจริญสตนะิสติก็เป็นองค์มรรคองค์หนึ่งสมมตสติความรู้ชอบสติระลึกที่ไหนสติต้องระลึกรู้ที่กายในกายอยู่หนึง่งเดิมสติจะต้องระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่หนึง่งเดิมสติจะต้องระลึกรู้จิตในจิตอยู่หนึง่งเดิม สติจะต้องระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่หนึ่งอย่งเรียกว่าจรรญสติปัฏฐานลงละเอียดลึกซึ้งลงไปสติจะต้องระลึกตรงต่อปรมัตธรรมหรือรูปนามหรือธาตุหรือธรรมชาติหรือสภาวะที่กำลังปรากฏสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตจิตใจกายใจ ที่บุคคลยึดถือเป็นตัวตนไปเราเป็นของเราเสติระลึกเข้าไปสัมผัสสิ่งที่เป็นจริงโดยแท้คือปรมาตธรรมเรียกว่าต้องเพิกสมมุติออกไปคัดสมมุติออกไปเพื่อจะเข้าไปสัมผัสรู้แก่นแท้ของธรรมชาติของความเป็นจริงถ้าไม่เพิกสมมุติมันก็ไปเกาะยึด ติดค้างอยู่ในของปลอมรูปร่างสันฐานรูปทรงสันฐานเนี่เป็นสมมุติรูปทรงแขนขาหน้าตาอวัยวะนี่เป็นสมมุติถ้าจิตหรือสติไปเกาะเพียงแค่รูปร่างสันฐานมันก็อยู่กับสมมุติบังสภาวะถ้าไม่ระลึกเพื่อเชื่อมต่อมันก็บัง ก็ไปอยู่แค่นั้นไม่เจอปรมาถธรรมถ้าไปเกาะยึดเยอะบางคนจะเดินข้ามฟากเคินขึ้นบนสะพานถึงสะพานก็เกาะยึดสะพานอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมันก็ไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งดันั้นสะพานก็เป็นเพียงแค่ผ่านเป็นแค่ที่อาศัยเชื่อมโยงไป สมมติบัญญัติก็เช่นเดียวกันอาศัยเป็นที่เชื่อมโยงเป็นที่ผ่านเข้าไปอีกทีหนึ่งเข้าไปสู่ปรมัตธรรมให้ได้เรียกว่าเพิกออกไปเพิกรูปร่างสันฐานออกไปจากใจเพิกชื่อภาษาออกไปจากใจเพิกความหมายออกไปจากใจถ้าไม่เพิกออก ไปเกาะติดอยู่กับสมุดมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นค้างอยู่อย่างนั้นเลยไม่เจอสภาวะประมัตุขเมื่อไม่เจอสภาวะประมัตุขมันก็ไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญามีเพียงสมาธิมีความสงบได้ดงนั้นบุคคลจ ะ, จะเจริญเข้าถึงปัญญาก็ต้องอาศัยส ม, มุดแล้วก็เพิกออกเชื่อมโยง เข้าไปสัมผัสปรามัตรธรรมเมื่อสัมผัสได้เป็นได้เข้าใจก็ไม่ต้องอาศัยสมมุติระลึกที่ใดก็ระลึกถึงตัวประมัตเลยถึงสภาวะธรรมเลยก็คืออย่างที่กายก็ระลึกไปที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายนี่คือตัวสภาวะ ความรู้สึกเย็นเย็นร้อนๆตึงตึงหย่อนๆย่อนไวไวไหวสบายไม่สบายนั่นแหละคือความจริงของชีวิตที่เรียกว่าปรมาตรธรรมรู้ความจริงระลึกให้ตรงความจริงน่ะก็จะรู้ตามความเป็นจริงคือจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสิ่งอนนี้จะแสดงความเปลี่ยนแปลงเกิดดับ แสดงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นให้รู้แต่ถ้าระหยุดอยู่แค่รูปร่างดูแต่ท่าทางของกายดูแต่ความหมายอยู่เข้าออกดูแต่รูปร่างความหมายว่านั่งเกาะติดอยู่กับรูปทรงสันฐานเกาะติดอยู่กับความหมายเกาะติดอยู่กับคาบริกรรมชื่อภาษามันก็ ได้เพียงสมาธิสงบไม่เจอไม่เห็นความรู้สึกไม่เจอสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยสมมุติในการเจริญสติอยู่เมื่อถึงระยะหนึ่งก็ต้องเชื่อมโยงเข้าไปรู้ปรมตตธรรมแล้วก็เพิกสมมุติออกไป เข้าไปถึงความไหวความตึงความแข็งอ่อนเย็นร้อนความรู้สึกสบายไม่สบายที่กายนน้นความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่รูปร่างยังกำหนดไปที่แขนเจอความไหวความเย็นความตึงมันก็มีแต่ความรู้สึกถ้ารู้แค่ปรมัดมันจะไม่มีรู้สึกมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นในใจว่าเป็นแขน ไม่มีความหมายว่าแขนไม่มีรูปร่างของแขนเวลางอแขนเหยียดแขนก็รู้ถึงความรู้สึกที่มันตึงหย่อนไหวไม่มีความหมายว่างอ่าเหยียดงอเหยียดเป็นสมมติยกเป็นสมมติจับเป็นสมมติมาเป็นสมมติไปเป็นสมมติรูปร่างแขนเป็นสมมติรูปร่างขาเป็นสมมติ ยกเป็นสมุติก้าวเป็นสมุติเหยียบเป็นสมุติขวาซ้ายเป็นสมุติขวาซ้ายก็เป็นความหมายยกย่างเหยียบเป็นความหมายรูปทรงของขาของเท้าเห็นรูปลงเห็นรูปร่างของขาเป็นก้นก้อนเป็นเงาเงาก็ตามเป็นแทงแทงนี่ก็เป็นบัญญัติเป็นสมุติปรมาจิงจริงๆคือความรู้สึก ไหวๆวตึงๆแข็งๆอ่อนๆเย็นร้อนปวดเจ็บเมื่อยชาคัานร้อนหนาวเนี่นี่คือสภาวะประมาตธรรมฉะนั้นเมื่อระลึกเข้าสู่ปรมาตธรรมทางกายได้ก็ยังต้องระลึกรู้เจริญสติสัมผัสสัมพันธ์สู่ปรมาธมทางด้านจิตใจเพราะว่าอุปาทานมันยึดไม่ได้ยึดแต่พอกายมันยึดทางจิตใจด้วย ก็ต้องระลึกไปทั่วถึงอุปาทานมันยึดอะไรก็ต้องระลึกรู้ไปที่นั่นนะมันยึดจิตใจนะจิตใจนี่มันก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพูดรวมๆว่าจิตใจเวทนาทางใจมันก็มีสบายใจไม่สบายใจดีใจเสียใจเฉยๆอุปาทานมันจะไปคอยยึดเป็นตัวเรา เป็นของเราเป็นเราดีใจเป็นเ ร, เราเสียใจถ้ามีสติระลึกรู้ไปที่เวทนาทางใจบ่อยๆหนึงน่งๆเกิดปัญญาขึ้นมาก็เห็นว่าความดีใจเสียใจเฉยๆก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดดับไม่เป็นตัวเป็นตนสัญญาความจําได้มารู้ที่ประกอบกับจิต มันก็ไม่เป็นตัวตนถ้าไม่มีสติระลึกรู้มันก็ดูว่าเป็นตัวตนเป็นเหมือนเราจำได้หมายรู้แต่เมื่อมีสติระลึกรู้สัญญาก็ไม่มีตัวตนปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏหายไปทันทีไม่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นเพียงสภาพความจำได้หมายรู้แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปมีแล้วก็หมดไป สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราและสติระลึกพิจารณาสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจวิตกตังวลหว่างวิจัยวิจารสงสัยบ้างบางทีก็ปรุงแต่งไปในทางธรรมะวิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมก่ อ, อนั้นก่อนี้คิดนึกลึกนึ ก, นก น่แหละไม่มีสังขารปรุงแต่งถ้าไม่ได้ระลึกรู้มันก็สำคัญมั่นหมายเป็นตัวเรามีความรู้สึกเป็นเราคิดเรานึกเราตรึกเรารู้เราเข้าใจแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสักแต่สิ่งที่ปรากฏปรุงแต่งจิตตรึกนึกรู้สึกปรุงแต่งมันดับไปตลอดปรากฏปรุงแต่งดับไปปรากฏหมดไปเนี่ย ถ้าสติระ ล, ลึกรู้ได้ตรงบ่อยๆปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดนักไม่ใช่ตัวตนสังขารปรุงแต่งในทางดีบ้างไม่ดีบ้างให้มันก่อให้เกิดทุกข์ที่ฟุ้งซ่านที่หงุดหงิดที่เราร้อนรอนรานไปด้วยอำนาจของสังขารที่เป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้า ง, เ ป, าางเป็นโมหะบ้าง เฉะนั้นบุคคลที่พิจารณาสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าไประ ง, งับดับสังขารจะได้นั่นแหละคือเตสังวูปสมโมสุขโขความสงบระ ง, งับซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมเป็นสุขความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่สิ้นไปจากสังขารคือกิเลส สังขารที่เป็นส่วนของกิเลสกิเลทุกชนิดเนี่ยเป็นสังขารเมื่อตัดได้ละได้สังขารได้เป็นกิเลสสิ้นไปจากจิตใจก็เข้าถึงความสงบของจิตสงบจากกิเลสแม้ว่าจิตยังรับรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งไม่สงบจากอารมณ์แต่มันสงบจากกิเลสทำงานเคลื่อนไหวจิตใจรับรู้แต่ไม่มี ไม่มีความเร่าร้อนเรียกว่าสงบจากกิเลสความสงบไม่ได้หมายถึงว่านั่งนิ่งดับความรู้สึกสงบไม่รู้อะไรนิ่งเงียบอยเรียกว่าสงบจากอารมณ์สงบจากอารมณ์คือจิตมันไม่ไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันอยู่นิ่งอารมณ์เดียวแล้วสงบจากอารมณ์เป็นสมาธิ คนที่เจริญสมถะเนี่ยเขาถึงความสงบจากอารมณ์แล้วก็ข่มกิเลสได้นานๆแต่คนเจริญนิพพ ส, สนานี้ไม่ได้สงบจากอารมณ์แต่ว่าสงบจากกิเลสคือยังรับอารมณ์ต่างๆสติก็รับไปสติกับจิตมันก็เกิดด้วยการรับเย็นบางร้อนบางตึงบางสีบางเสียงบางกลิ่นบางรสบาง รับรู้ที่ใจบ้างสังขารเวทนาสัญญาแต่ว่าไม่ได้ยินดียินร้ายปล่อยวางอยู่ถ้าระลึกโดยที่ไม่มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งในส่วนของกิเลสตัณหาอุ ป, ปาทานอภิชาทมนัทมันก็จะสงบจากกิเลสเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงจิตแม้จะรับอารมณ์ต่างๆ แม้จะเป็นไปกับการยืนการเดินการนั่งการนอนซึ่งมีอารมณ์ต่างๆจิตยังรับอารมณ์ต่างๆแต่ว่าไม่เล่าร้อนไม่กวนกวายไม่กระสับกระส่ายนี่ว่าสงบสงบจากกิเลส น, นะนัตติสันติปรังสุขัขงสุขื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะต้องเข้าถึงความสงบจากกิเลสด้วย ฉะนั้นก็ต้องระลึกรู้ทั่วถึงทั้งสภาวะทางจิตใจตลอดทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นให้เข้าถึงปรมาถธรรมสีเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเลยจากนั้นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นรูปร่างเป็นความหมายนั่นก็เป็นสมุิ เสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามเลยจากนั้นเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เป็นความหมายเป็นชื่อเป็นเรื่องราวก็เป็นบัญญัติกลิ่นเฉพาะแค่กลิ่นเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามเลยจากนั้นเป็นกลิ่นวัตถุสิ่งของเป็นบัญญัติรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามเลยจากนั้น เป็นวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความหมายอย่างนั้นนีเป็นบัญญัติจิตที่คิดจิตที่นึกจิตที่รู้สึกนี่เป็นปรมตัตธรรมเรื่องราวของจิตเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องการงานนั้นเป็นบัญญัติที่จิตไปนึกถึงไปคิดถึงเรื่องต่างๆความคิดความนึกเป็นปรมัดเป็นสภาวะเรื่องราวเป็นบัญญัติ ย้าสติจะต้องกลับมารู้มารู้มารึกที่จิตที่กําลังคิดที่กําลังนึกที่กําลังรู้สึกที่กําลังปรุงแต่งอยู่มันก็จะตัดบัญญัติออกไปตัดเรื่องออกไปโดยธรรมชาติของมันเมื่อสติมารู้สิ่งที่มันกําลังผลิตเรื่องราวนะคือปรุงแต่งเรื่องราวตรึกนึกตรึกนึกถึงเรื่องราวนะ พอสติมารู้ที่ความตรึกนึกนันเป็นตัวผลิตเรื่องราวเรื่องราวก็ขาดไปหายไปหมดไปมาร่มรึกรู้บ่อยๆหนึงๆก็เห็นสภาวะธรรมของจิตใจมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงมีสภาพเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนจิตวิญญาณเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบุคคลจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามเขาก็เกิดดับอยู่ ความคิดเนี่ยคิดคิดคิดเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคิดกว่าจะได้ต่อเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันมีความคิดมากมายพูดพูดพูดพูดขึ้นในจิตใจถ้าสติรู้ก็จะเห็นความคิดนั้นหมดไปหมดไปปรากฏหมดไปทันทีนะจิตที่คิดก็อย่างจิตที่ไม่คิดไม่นึก มีความรู้อยู่ในตนเองตั้งมัน่นแม้กระ น, นั้นก็ยังเกิดดับนจิตที่มีสติสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่รู้อยู่ในกายไม่ส่งใจออกนอกรู้อยู่รู้สภ า, สภาวะตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาแม้ขนาดนั้นจิตก็วิญญาณ น, นั้นก็เกิดดับ วิญญาณคือธาตรู้สภาพรู้เนี่ยเป็นกระแสที่ขาดตอนตลอดเวลารู้หมดไปรู้หมดไปรู้หายไปรู้รู้หายไปฉะนั้นมา่ปฏิบัติน้อมรู้เข้าสู่จิตใจก็จะประจักษ์ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมดไปสิ้นไปไม่คงที่ไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน นี่เราว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นคือความรู้เห็นความจริงธาตุแท้ความจริงของชีวิตนะก็สะสมการรู้เหล่านี้ไปบ่อยๆหนึ่งเดือนซึ่งกิเลสมันก็คอยจะมาล้างให้เพลอให้ลืมให้หลงไปเรื่อยแล้วต้องพยายามรู้พยายามเพียรรู้เพียรรู้ กำลังความเพียรมีมากสติมีกำลังสมาธิมีกำลังและก็วางได้เหมาะสมปรับผ่อนปล่อยวางคลี่คลายเข้าสู่ความเป็นกลางความพอดีไม่เพ่งไม่เผล อ, ไ ม, อไม่จดไม่จ้องประคับประคองพอดีพอดีมีรู้มีละผสมกลมเกลือนกันไปก็จะประจักษ์สภาวะธรรม ก็เขาเป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเพียงแต่ทำเครื่องไม้เครื่องมือของสติสัมปชัญชาญะให้มันปราณีตให้มันมีกำลังที่จะไปจับไปรับไปรู้กับสภาวะธรรมนั้นความจริงเขาก็ปรากฏให้รู้นี่คือปัญญาเมื่อมีปัญญาก็ทำลายวิชาเป็นขณะขณะเป็น ช่วงช่วงจนกว่าปัญญาที่สะสมมีกำลังส่งต่อต่อเนื่องขึ้นไปสู่ปัญญาในมรรคซึ่งมีคุณสมบัติในการประหารอนุสัยกิเลสขาดนั่นแหละกิเลสตัวใดที่ตัดขาดไปนะกิเลสนั้นก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาในจิตใจได้แต่ก็ต้องอาศัยปัญญาวิปัสสนาในส่วนโอโรกียะ ปัญญานี้ก็ต้องอาศัยสติสติก็ต้องมีความเพียรความตั้งใจเพียรประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจตนเองก้าวไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงลดละสละกิเลสไปตามลำดับตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเธอ